คณะนนั้นพระราชาตรัสว่าแม่ของลูกราชสีนั้นยังไม่กลับมาตราบใดพวกเราก็ไปตราบนั้นถ้าแม่มาเดื อ, รอดร้อนแน่ก่อนที่แม่จะมาแผ่นกันก่อนดีกว่าเท่นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จไปพระองค์ก็เลยคิดว่าลูกราชสีแม้เกิดในวันนั้นก็ยังไม่สะดุง้งไม่กลัวเมื่อไหรเนอะเราเพิ่งตัดความสะดุ้งกลัวเพราะตันหาและทิฏฐิแล้วไม่ต้องสะดุ้งกลัวไม่ต้องสะดุง้งไม่ต้องกลัวเหมือนราชสีฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไรเนอะเมื่อไรเนอะ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 พระองค์ก็เลยยึดเอาราชสีตัวน้อยเป็นอารมณ์ก็เสด็จไปพอเสด็จไปก็เห็นลมเนี่ยพัดไม่ติดตาข่ายเห็นตาข่ายเขาดักลมเนี่ยนะก็เอาตาข่ายมาพึ่งแดดใช่มเอาเวลาเขาเอาตาข่ายไปลงน้ําเสร็จแล้วเขาต้องเอามาตากแดดพึง่งก็เห็นลมเนี่ยไม่เห็นติดตาข่ายแม้แต่ชิ้นเดียวเลยแบบนั้นที่พวกชาวประมงจับปลาแล้วคลี่ตากไว้บนกิ่งไม้ทั้งหลายปกติมันเป็นอยังไงจริงๆว่า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 ไม่พึงสะดุ้งเหมือนราชสีไม่พึงติดข้องเหมือนลมไม่พึงเปียกมีฉันทราค้าอาไลาอวรนเหมือนดอกบัวฉะนั้นคิดไปคิดมาก็เลยสละราชสมบัติพนวดเนละเจริญวิปัสนาทําให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิยานคือพระราชาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ฉลาดลนะว่าอย่างสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องราชสมบัติเป็นต้นหลายคนก็คิดว่าโอ้ละล ะ, ละได้ยังไงสละได้ยังไง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 หมดบุญเมื่อใดมันก็ต้องจากอยู่แล้วมันก็ขึ้นถึงที่สูงที่สุดมันก็รอต่ําอย่างเดียวเนี่ยนะนี้เมื่อไหร่มันจะตกลงมาเท่านั้นเองมันก่อนที่จะตกแบบลมพัดตกลงมาร่วงหล่นแบบหมดท่าลงมาซะเองดีกว่าไม่ต้องเจ็บตัวเทรานั้นกพพ็พระพระปเจกับพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระราชาท่านก็ฉลาดนะท่านก็ฉลาดว่าเราต้องรีบภาาเพียรปฏิบัติเพื่อให้จิตถึงความไม่สะดุ้งมีจิตใจไม่ติดพันุ์ น, นะไม่พึงแปดเปื้อนอยู่ในฉันทราคะอยู่ในโลกนี้แลเอาราชสีเป็นตัวอย่างเอาลมเป็นตัวอย่างเอาดอกบัวเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติพอตรัสรู้แล้วก็อุทานว่าสีโหวะสัตเทสุอสันต์อสันตัสันโ ต, านตาวาโตวะชาลัมหิอสัชามานโนปทุมังวะโตเยนะอลิมปมาธนโนเอโกเจเรฆะวิสานะกปโ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 ก็ความโลภ ก, ก็คือตัณหานั่นแหละเพราะั้นเมื่อใดจะพึงตัดความสะดุ้งเพราะนะความสะดุ้งในขันที่ไม่เที่ยงเหมือนอะไรเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงนะนะก็ในคาถานั้นความค้องนะพูดถึงความค้องนะถ้าติดคล้องอะติดด้วยอะไรค้องย่อมมีด้วยโมหะสำหรับบุคคลผู้เว้นจากการพิจารณาใครที่ไม่พิจารณาสิ่งใดให้รู้เท่าทว่า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 เขาจะต้องย่อมละความติดข้องอย่างนี้นะด้วยการพิจารณาเพราะถ้าผู้ที่ไม่พิจารณานั่นแหละเป็นความติดข้องบางคนบอกเขามิเห็นติดอะไรเลยก็ว่างั้นก็ใช่อย่างีิก็ไม่รู้ว่าติด น, นนะตาบอดเสียอย่างเดียวถูกโซ่มัดกี่เส้นก็มองไม่เห็นอยู่แล้วก็ว่างั้นฉันการละตัณหาย่อมมีด้วยสมถะการละอวิชาย่อมมีด้วยวิปัสนา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 ไม่ติดอยู่ด้วยบัวไม่ติดอยู่ในน้ำํำฉะนั้นคาถาแรกที่บอกว่าเตอนตอนแรกนะบุคคลไม่สะดุ้งในธรรมในธรรมที่อะไรในธรรมที่โดยปกติขันทั้งหลายมันไม่เที่ยงใช่ไหมไม่สะดุ้งด้วยตันหาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นคำว่าสะดุ้งเนี่ยเป็นเชื่อของตันหาเป็นเชื่อของตันหาที่มันสะดุ้งติดข้องพัวพันธุ์เพราะฉะนั้นจะละความสะดุ้งอันนี้ละด้วยอะไร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 เขาย่อมไม่สะดุ้งเพราะความที่ตนประสงค์เพื่อจะกโกรธในอาคาตตวัตถุทั้งหลายเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่สะดุ้งเพราะความกโกรธเนี่ยนะคือคนที่ที่ที่สะดุ้งก็เพราะว่าศีลไม่ดีถ้าศีลดีก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวอีกล่ะเพราะฉะนั้น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 ผู้มีราคะไปปราดแล้วเนี่ยนะคือสิ้นราคะด้วยสมาธิขันย่อมไม่ติดอยู่ด้วยราคะเหมือนประฐมไม่ติดด้วยน้ำํำฉะนั้นบุคคลไม่สะดุง้งอันนี้สําเร็จด้วยอะไรเศนไม่ติดข้องสําเร็จด้วยวิปัสนาไม่ติดด้วยสมาธิด้วยอํานาจการละอวิชาละตันหาละหรือละอกุศลมูลสามตามเป็นจริงก็คือละโลภะ เ, เข้าไปละโทสะด้วยศีล ละโลภะด้วยสมาธิละโมหะด้วยปัญญาก็คือด้วยสมถาวิปัสนาด้วยสีละขันสมาธิขันและปัญญาขันด้วยประการชนีผู้ที่อบรมอธิสีนอธิจิตอธิอธ ป, ปัญญาก็ไม่สะดุ้งเหมือนราชสีไม่ติดข้องเหมือนลมแล้วก็ไม่ถาบทารูปไหลในวัตตะเหมือนดอกบัวฉะนั้นเนี่ยนะก็สีเหมือนทวนครังศีเหมือนกับราชสีที่ไม่สะดุ้ง วิปัสนาเหมือนกับลมไม่ติดตะขคายสมถะ ก, ก็เหมือนกับดอกบัวที่ไม่ฉาบทานรูปลายด้วยน้ำมันกอ็อาศัยเครื่องเปรียบสามประการคือราชสีเป็นต้นแห่งการถือหลักเป็นข้อปฏิบัติในเกิดในการเจริญอริยมรรคในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกประพุทธเจ้าพอเป็นแล้วก็ได้มากล่าวคาถาเหล่านี้ภาษาริบรได้อธิบายไว้ใน ค้าววิสาณ ส, สุตานิเทศว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนสีหะไม่ติดข้องเหมือนลมที่ติดตาขายาเหมือนลมที่ไม่ติดตาขายไม่ติดอยู่ในวัตฏะเหมือนดอกบัวอันน้ำไม่ติดพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอธิบายว่าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนสีหะความว่าสีหมฤคราชเนี่ยนะ เรียกว่าราชาแห่งราชแห่งแห่งเนื้อเนี่ยนะราชาแห่งหมูเนื้อเรียกว่ามรุขราชไม่หวาดหวั่นไม่คลั่นครามไม่สะทกสะทานไม่ตกลงใจไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุงไม่คลาดไม่พลั้นเพิงไม่หวาดเสียวไม่หนีไปเพราะเสียงทั้งหลายฉันใดหมายว่าทําให้ตกใจแล้วเพ่นไปไม่มีนะ แม้พระปเจกษัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่หวาดวันไม่ครั่นคร้าไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่มีความพร่านเพลงไม่หวาดเสียวไม่หนีละความกลัวความคลาดได้แล้วปราศจากความขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุงในเพราะเสียงเหมือนราชสีอันนี้ก็อธิคุณธรรมอันนี้คือสาเร็จด้วยอะไรนะทาให้ไม่หวั่นไหว ศีลทําให้ไม่สะดุง้งไม่สะเทือนไม่หวาดห ว, า ห, วาหวั่นไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใครที่ศีลไม่ดีก็เป็นยังไงห ว, ไหวั่นไหวข้านครามสะทกสถานตกใจสยดสยองสะดุง้งกลัวพร่ำเพรงหวาดเสียวภาษาไทยเราพวาเลยว่านั้นเพราะศีลไม่ดีแต่ถ้าศีลดีมีอะไรจะต้องหวั่นไหวแล้วมีอะไรจะต้องข้านครามเนี่ยนะคำว่าศีล น, นี่รวมทั้งจารีศีลด้วยนะทั้งจารีศีลและ วาเรศเสนทั้งข้องดเว้นและข้อปฏิบัติบาปก็ไม่ได้ทําบุญก็ทําเสร็จแล้วบุญก็เจริญเต็มที่แล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวมีอะไรจะต้องแครนคลามมีอะไรจะต้องสะทกสะทานมีอะไรทําให้ตกใจได้หรือจะต้องสยดสยองเพราะอะไรอะไรจะมาทําให้สะดุง้งก็เลยไม่มีความกลัวไม่มีความพร่านเพลงไม่หวาดเสียวไม่จําเป็นจะต้องหนีหน้าหนีอะไรสักอย่างนะเพราะว่า มีคุณธรรมเป็นเครื่องมั่นอกมั่นใจคือกุศลศีลเพราะคนที่มีศีลนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคลามไม่สะทกสะท้านคนมีศีลไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่พร่านพึงไม่หวาดเสียวไม่หนีไม่ถึงความคลาดกลัวคนลุกขนพองเนี่ยนะถ้าหากว่าความขลาดกลัวคนลุกขนพองบ่อยๆก็แสดงว่า ศีลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถามว่าแก้อย่างไงก็แก้ด้วยการหมั่นสมาทานศีลบ่อยๆ อ, อธิษฐานถึงศีลบ่อยๆระลึกถึงศีลบ่อยๆทั้งจารีตศีลและวารีศีลเนี่ยนะก็ปรารบวารีศีลปรารบที่จะเว้นจากบาปส่วนจารีตศีลเหตุอะไดที่ยังไม่เจริญบุญอันใดที่ยังไม่ทําก็ภาพเพียรพยายามเนี่ยนะแม้กระทั่งการอ่อนน้อมบูชาพระรัตนตรยัยเป็นต้นก็นับเป็นจารีตศีลทั้งหลาย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 ตะข่ายมีสองอย่างตะข่ายตันหากับตะข่ายทิฏฐิพระปจเจกสัมพุทธเจ้านั้นละตะขา่ายคือตันหาสละคืนตะข่ายคือทิฏฐิแล้วเพราะละข่ายคือตันหาสละคืนตะข่ายเพราะทิฏฐิพระปจเจกษัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่ไม่ติดไ ม, ไม่ขัดไม่เกาะในรูปเสียงเปลี่ยนรสโภตพะธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่ติดในทิฏฐังสุตังมุตังและวิญญาตังใครว่ารูปที่เห็นเสียงที่ฟัง กลิ่นรถโพธิภที่ทราบธรรมรมที่รู้แจ้งพึงเป็นผู้ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทําให้ปราศจากเขียแดนอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ข้องเหมือนลมที่ไม่ติดข้องอยู่ในตาขายดอกบัวเขาเรียกว่าปฐุมังปธุมาเนี่ยนะดอกปฐุมอันน้ำไม่ติดไม่เ อ, อิบอาบไม่เสริมทราบฉันใดความติดด้วยตันหาความติดด้วยทิฏฐิก็ไม่มีสาหรับพระประเจกพพุทธเจ้าฉนนั้น